เดี๋ยวนี้เราพาสวดมหาสติปัฏฐานนั่นเนี่ยเนี่ยมหาสติปัฏฐาน ม, มสติปัฏฐานมันเป็นหลักปฏิบัติเป็นภาคทฤษฎีอยู่ในนี้ทั้งหมดแต่ภาคทฤษฎีนี้เราดูบ่อยๆครั้งเข้าเราจะรู้นแนวทางเรารู้เรารู้ที่ไปเรารู้ที่มาเรารู้นแนวทางว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนพวกเราอยู่ในนี้ทั้งหมดนี่เหมือนอย่างเมื่อกี้นี่กําหนดด้วยปลาช้าก้าวเนี่ยเมื่อกี้ที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยอ มันมีหลายมันมีหลายบับพระโดยเฉพาะกายนะกา ย, ยานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่วิธีที่ท่ทานสอนนี่หมายความว่าท่านให้เราเอามากำกับตลอดทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนยืนก็ให้มองเห็นอย่างนั้นเดินก็ให้มองเห็นอย่างนั้นนั่งก็ให้มองเห็นอย่างนั้นนอนก็ให้มองเห็นอย่างนั้นไม่ได้ไม่เอาจิตไปไหน จิตกับสติกับผู้รู้นเป็นอันเดียวกันตลอดไม่ให้อากุศรเข้ามาแทรกคิดได้ถ้าใครทำได้ต่อเนื่องอย่างนี้เมียในสงบอกตอนท้ายเล่มอ่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเป็นอย่างช้าคนคนนั้นถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องได้เป็นพระอนาคามี ถ้าไม่ได้เป็นพระนาคามีก็ได้เป็นพระเศิษฐาคามีไม่ได้เป็นพระเศกิฐาคามีก็ต้องได้เป็นพระโสดาบันเพราะมันเป็นขั้นตอนที่ขัดเกลาจิตของเราละเอียดเป็นขั้นตอนที่ขัดเกลาจิตละเอียดทุกยะกษไม่ให้อะโกศลเข้ามาแทรกแต่ด้วยเหตุที่เราทําไม่ได้เราก็เลยเราก็เลยพูดไม่ได้ว่าจิตวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเราพูดไม่ได้ แต่ถ้าเราทําได้ต่อเนื่องเหมือนอย่างที่ฉันสอนนี่เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี้หวังได้เรามีหวังได้ใครจะหวังให้ได้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีไปทําให้ต่อเนื่องมันจะมีเห็นเห็นผลแปลกประหลาดภายในไม่กี่วันเริ่มเห็นผลแปลกปลาดไปแล้วด้วยเหตุที่เราบังคับจิตเราได้คือส่วนมากเราบังคับจิตเราไม่ได้จิตของเรานี่แหละเราบังคับไม่ได้ เรามาพิจรารณาดูจิตของเราเนี่ยแหละเราเอาศัยจิตดวงเดียวนี่แหละแต่ทำไมเราบังคับจิตเราไม่ได้อย่าลืมว่าจิตนี้ต้องบังคับนะดึงเข้าสู่ธรรมะนี่ต้องบังคับไม่บังคับไม่ได้ใครบอกว่าบังคับไม่ได้เหตุส่วนของเหตุท่านให้บังคับแต่ส่วนของผลนั่นแหละมันบังคับไม่ได้ให้เราจําไว้ด้วยส่วนผลแล้วแต่มันจะเกิด เราเกลียดนมันเกิดผลไม่ได้หรอกเรามีหน้าที่ทาเหตุทำให้สุดจุดเดชหมดเรียวหมดแรงเอาให้เป็นเอาให้ตายสู้เข้าไปทาเหตุบังคับใส่เข้าไปเลยบางคนก็พูดว่าสติเกิดเองสติเกิดเองไม่ต้องบังคับลองดูสิสติเกิดเองอะนะไปฟังดูหลายแห่ง ม, มันได้ยินแปลกๆกันสติเกิดเอง สติเราไม่บังคับมันจะมีได้ยังไงการกําหนดจุด จ, ดจอ่อการสรัรมผัสระมัดระวังเข้ามามันก็เป็นการตล่อมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้าม า, ม า, มาสติก็คือความเด่นโร่อของจิตนั่นแหละช่องไหนที่จิตมันเด่นโร่ที่เสื่อมช่องนั้นคือสติมันเด่นชัดสติคือความระลึกได้ธรรมจันญะคือความรู้ตัวมันจะมาด้วยกันถ้าเราดูเราจะเห็นถ้าเราแยกเราจะเห็น ถ้าเราไม่ถ้าราม่แยกสิ่งเหล่านี้มันจะมาด้วยกันคุณสมบัติเหล่านี้เกิดที่จิตถ้าหากเราโวแต่ไปแยกเหมือนปริยัติเนี่ยมันตีกันเองตีกันเองถ้าเราพิจารณาแล้วเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดภายในจิตในจิตของเราดวงเดียวมันไม่มีอะไรขัดแย้งกันในเมื่อมันทํางานกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะแนบแกะสนิทลงไปเนี่ยเชยังอยู่แกะสนิทกับธรรมเนี่ย กิเลสก็แทรกไม่ได้กิเลสแทกไม่ได้แทรกไม่ได้หนักๆเข้ามันก็จางเข้าจางเข้าจืดเข้าจืดเข้าจืดเข้าจืดเข้าฉะนั้นผู้ที่จะเพิ่มเติมก็คือคุณสมบัติภายในใจตปะปักธรรมมันไปแผ่เผาใจตรงนั้นมันทําให้คุณสมบัติของกิเลสที่เคยเกิดขึ้นในใจมันก็เหื่อไปเหงื่อไปเหงือดไปเหื่อไปให้มันไ ป, ไปให้มนไปให้มันไปท่านจะเรียกว่าตปะปักธรรมนะตปะตปะักธรรมตะปักแล้วว่าแผ่เผา เอาธรรมะมาเผ็มาเผาชติธรรมปัญญา ร, รมสัมผััญญรรมสมาธิทรำรตลอมเป็นอันเดียวกันเป็นตะปะเป็นไฟเป็นไฟคือเผาไปย่างไปปิ้งกิเลสมันเหือดไปแห้งไปพูดมากไม่ค่อยได้ไอวันนี้เราไปหาหมออีกเขาว่าปอดอักเสบเขาให้ไปอีกเชลอีกเขาว่าดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิม นั้นไปศีนครินสะดวกนั้นไปตึกสงเพราะว่าตึกสงนั้นเราไปเกี่ยวข้องด้วยเป็นมนิธงเป็นมวนทีอะไรเราไปเกี่ยวข้องด้วยเราไปเกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่เริ่มเขาให้ตึกชั้นสิบทั้งหมดนะตึกตึกศีนครินตึกสมเด็จศศี น, นครินทราบรมราชช น, นนะีชั้นสิบหมดทั้งชั้นเเขาให้เป็นตึกสง เพราะตอนนั้นตอนนั้นนี่อาจารย์หมอวิทูลเนี่ยเขาเป็นอาจารย์หมอมาบวชอาจารย์อินก็เลยเป็นเหตุให้ดึงอาจารย์อินเข้าไปรู้เรื่องเข้าไปเข้าใจแล้วก็ไปรับชั้นสิทั้งชั้นเนี่ยรับเฉพาะโครงนะมาปุมาปะมาบูรณนะมาอะไรแต่ออไรข้างในเนี่ยหมดไม่รู้ต้องท่ า, ายล้านเลยก็จะได้ใช้ปีสองปี เดี๋ยวนี้เป็นหอสองทั้งหมดมีระบ บ, บมีระเบียบสะดวกสบายทําให้ครูบาอาจารย์เราที่นั่นถือเคร่งทางวินยัยเข้าไปอยู่ได้อย่างสะดวกแส้งพวกเราก็มีการพับผ้ป่าเพื่อเอากองทุนส่วนนี้ช่วยช่วยทางโรงพยาบาลใช้เป็นประจำประจำปีว่า ง, งั้นแต่แต่กองทุนเรามีอยู่ต้องหงากองทุนเราไม่ค่อยได้เอาออกใช้ เราเอาแต่เงินภาพป่าที่เราเทอไปจำปีนี่ก็ไม่หมดอย่างปีนี้เราไปทอได้จ้าห้าหกล้านแล้วก็มีคนใจบุญเห็นประโยชน์ของการทำบุญกับพระเจ้าประสงป่วยคนที่มีเงินเยอะๆก็เอาไปทำสมัยหาเงินตั้งแต่ทีแรกๆโอ้คนช่วยมามากมาย ยีล้าน30บล้านสี่สิบล้านเดี๋ยวนี้หกสิบเจดสิบล้านแล้กองทุนแต่กองทุนเราไม่ค่อยดเดาออกใช้กองทุนด้วยมูลทีด้วยเราไม่ค่อยดเดาออกใช้เราเอาแต่ผ้าป่าเงินผ้าป่าที่เราไปทอดประจำแต่ละปีแต่ละปีมันคุ้มปีแล้วเหลืออีกต่างหากแล้วเงินที่คนบริจาคมาเรื่อย ๆ, ๆเพิ่มอย่างปีที่แล้วนี่เพิ่มไปเกือบ30สิบล้านปีที่แล้วปีที่แล้วมาเพราะ ลุปุรีท่านไปไปถวายไอ้ลุบปุรีท่านไปมอบมีพระที่ผ้าแดงไปอยู่ลุปุรีเอาไปให้ทั้งหลายล้านเงินกองทุนรถเพิ่มมาเยอะเลยใครดูแลพระป่วยใครช่วยดูแลประธานาธบพระป่วยเท่ากับช่วยพุทธภาระ คือพระสงฆ์นี่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นภาระที่พระพุทธเจ้าท่านจะต้องดูแลเพราะฉะนั้นใครอุปธรมถากพระป่วยเท่ากับเป็นผู้ช่วยพุทธภาระคือภาระของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เท่ากับไม่ใช่ไม่ใช่เท่าเท่ากับอุปถาพระพุทธเจ้านั่นไม่ใช่ บางทีเราไปแปลคําสุภาษิตนี้ผิดเหมือนกันนะทําบุญกับพระสงฆ์ป่วยเท่ากับทําบุญกับพระพุทธเจ้าคือคือทว่าว่าให้ถูกตามคือภาระของพระพุทธเจ้าท่านจะต้องดูแลพระสงค์ก็เหมือนอย่างพ่อมีหน้าที่ดูแลลูก <c oughs> สมมติว่าลูกสองคนลูกสคนลูกคนหนึ่งป่วยลูกคนหนึ่งป่วยแล้วลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยดูแล ดูแลพี่หรือน้องของตัวเองที่ป่วยเท่ากับรับภาระแทนพ่อช่วยดูแลรับภาระแทนพ่อแต่เราพูดถึงอา น, นิสงส์อา น, นิสงส์ส่วนนี้มันก็ถึงพระพุทธเจ้าเพราะอย่าพระพุทธเจ้าท่านที่ทรงตรัสอย่างนั้นมีผลมีอา น, นิสงส์อา น, นิสงส์ส่วนนี้เราทำเอาไว้เราทำเอาไว้พระพระป่วยพระป่วยเป็นพุทธภาระ ใครอยากอุปธรรมวัฒนพระพุทธเจ้าจงอุปธรรมวัฒนผู้ป่วยเถอะใครอยากอุปธรรมวัฒนเป็นภาระช่วยดูแลพระป่วยเท่ากับเป็นผู้ช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าอนะแต่มันจะไม่เท่ากับอุปธรรมวัฒนพระพุทธเจ้านะเราตีความให้ถูกก็แล้วกันนะตีความไม่ถูกนะ แต่ก็อนิสงฆ์ไม่ธรรมดาหละทาหน้าที่พุทธภาระแทนพระพุทธเจา้าภาระของพพุทธเจ้าต้องดูแลก็เหมือนอย่างสมัยหนึ่งท่านเห็นพระติศสะเป็นฝีแต่เน่าหมดทั้งตัวไม่มีใครดูแลอยู่ในวัด น, นอนจมที่ตม ข, ขี้น้ำบูดน้ำคูดเน่าเปื่อยเหม็นคลุ้งไม่มีใครไปสนใจพุทธเจ้าท่านเดินไปแล้วก็ ให้หาพระเอาน้ำร้อนมาเอานุ่นมาเอานี่มาเอานั้นมาถ้ากับชอนมาให้นั่งบนตักถ้ากับเช ت, ด็ดคว า, าออกับจะล้างนุ่นออกล้างนี่ออกเอานั้นไปซักเอานี่ไปซักให้พระนุ่นไม่ช่วยเอาเสื้อผ้าเอาเอาผ้าใหม่มานุ่งมาห่มมาหลายตะลายแล้วพระติสาก็ได้รับความสะดวกสบายถูกชะถูกล้างถูกช้อนถูกใช้ถู ก, ถ ก, ถกทําให้ความสุขโปร่สะอาดไปร่างกายเบาสบายปลอดโปรง่งพุทธิยาธิเลงเห็นแล้วแหละ เสร็จแล้วพอเห็นว่าร ah ่างกายเบาสบายพระติสสะเบาสบายพระพุทธเจ้าก็สอนทำมาให้สอนทำมาให้แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพานเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านช่วยจากนั้นมาปรงดเลยทรงตรัสภาษีนี้แหละทําอะไรเราทําด้วยความเสียสละมันมีอนิสงส์เท่านั้นแหละคอยตั้งอกตั้งใจทําแต่ไม่ใช่ทําด้วยความเห็นแก่ตัวทําด้วยความเห็นแก่ตัว ทำโวยมาโวยมาโวยมาโวยมามีแต่ได้มีแต่เอาเอาเอาเอาไม่มีเสียเสียสละอะไรไปเลยแบบนี้มันไม่ได้อะไรแหละอมันไม่มีมันไม่มีเสียสละอะไรไปในเมื่อมันไม่มีเสียสละอะไรไปมันเลยไม่ได้อะไรคุณความดีทั้งหลายจะได้แต่เมื่อเราเสียสละนั้นไปเสียสละนี้ไปเสียสละนั้นไปเสียสละอะไรไปก็คือความดีเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นสิ่งที่เราเสียสละไปคนนั้นได้ใช้ได้สอย เนี่ยเหมือนคนอย่างคนเขาเสียสลาอย่างนี้มา เ, เพราะเสียสลามาต้อก็ได้ใช้ได้สอยอย่างเี้ยเนี่ยเนี่ยไปวางไว้โดดๆเดีวรวางนะเราเบิดนะเราเบอดเรเบิดนะรเบ อ, เบ อ, เบอโอ้ยคนหนีแตกบ้านแต่เมือง น, นั่นเอกลุ้มๆเหมือนระเบิดเนี่ยพูดมากไอ ในครัวเราภาวนามีปัญหาอะไรไหมคุยได้พูดเห็นได้ยินอยู่อ้าวพูดได้เปิดโอกาสวันนี้เราไม่เคยเปิดโอกาสวันนี้เปิดโอกาสได้คุยได้พูดได้เาอยทอคาอะไรตอนพิจรารณากายเน่าเปื่อย น, นี่แหละ เราก็จําไม่ได้เราไม่ได้ดูบทสอนต่สอนจนพระทิศเข้าถึงธรรมไปเปิดดูเอาก็แล้วกันมันมีมันมีในพระสูตรอยู่เราไม่ได้ศึกษาสอนว่ายังไงก็สอนกรรมฐานนี่แหละสอนให้พิจารนานุสอนให้พิจราจรณานี้แต่ว่าผู้ที่ได้ฟังธรรมะจากปากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้มีบุญะ มีบุญเป็นเป็นผู้ยังเกิดทันพระพุทธเจ้ามันเป็นการสมบัติคือในกาลสมบัติพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระพุทธเจ้าท่านสอนได้ยินได้ฟังอานิสงส์อานิสงส์ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านเร่งแล้วก่อนที่ท่านจะสอนไม่ใช่สอนจะเป็นสปะเหมือนเราอ๋อคนนี้มีนิสัยอย่างนี้ต้องใส่ธรรมะข้อนี้ ถ้เป็นหมอก็เป็นหมอชั้นเยี่ยมเป็นหมอก็เป็นหมอที่ตรวจตรวจ ด, ด้วยข้างในไม่ใช่ตรวจ ด, ด้วยข้างนอกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรแต่ไรยอยากรู้จักก็ไปหาไปคนดูเอาเองเราเรียนน้อยเราไม่รู้จักหรอกเราไม่รู้จักแม้แต่มหาเศรษฐฐานที่กพาสวดเนี่ยพาสวดเราเห็นว่าเราเรียนน้อยนี่แหละเราจึงเอาหลักภาคท ฤ, ฤษฎีมาพาสวด เราดูไปแล้วเราก็เข้าใจโอท่านพาว่าอ่างนี้ท่านพาว่าอ่างโอ้อย่างนี้ก็ใช่อย่างนี้ก็ใช่อย่างนี้ก็ใช่อย่างนี้ก็ใช่ทําให้พวกเราเห็นแล้วหูตาสว่างไหมหูตาสว่างโอ้ทำสอนนี้สอนนี้สอนนี้สอนสอน น, อ น, นี้แต่ว่าเราจะทําตามท่านได้ไหมละ่ะท่านให้เราอ ย, ยู่ยอะยืนก็อยู่กันนี้เดินนั่งนอนก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่เอากระสมันแทรกได้ นึกว่ากุศลมันแทรกไม่ได้กุศลก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นตะปะทำรรเผาแผดเผากิเลนเหล่านั้นให้เบาให้บางไปแล้วก็หมดไปใไนที่สุดมันเหือดแห้งไปอเราถามถึงที่มาอยู่มาภาวนามาอะไรเนี่ยมีอะไรก็คุยกันได้อืเอาหลักปริยัติมาถามเนี่ยถามกี่ครั้งเราก็ตอบไม่ได้หรอกเราไม่ได้เรียนเราเรียนน้อยอืม อยากรู้ไปเปิดหาเปิดดูเอาเองท่านสอนแล้วก็สอนเข้าในหลักของปัญญานี่แหละปัญญาวิปัสนากายนี้ป่วยเน่ากายนี้อากูลกายนี้ป่วยเน่าท่านสอนแล้วให้ปลองลงเป็นเหตุให้แยกกายแยกใจได้แยกใจออกมาจากกายได้ พอแยกกายแยกใจออกมาจากกายได้เห็นกายเป็นกายนะก็คือได้ทําขั้นหนึ่งจากนั้นแล้วก็ไปแยกสิ่งที่ละเอียดละเอียดที่อยู่ภายในจิตออก อ, อ, อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนผู้รู้ก็ถอยมาถอยมาถอยมาถอยมาถอยม า, ยม า, ยมาในสุ่ก็หลุดอทิ้งได้ทั้งหมดขันห้าทิ้งได้ทั้งหมด